แต่ละอ่อนปอนท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจผู้สมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันสางที่สี่ ก, กรกฎาคมพุทธศักราช2558เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่าจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาประทังกระทภารกิจที่พระพุทธเจ้าส่งมบอบหมายให้พวกเรากระทำกันก็คือให้มาพัฒนาจิตใจของพวกเราให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความเจริญมากขึ้นเพราะการพัฒนาจิตใจเป็นการพัฒนาที่แท้จริงเพราะเป็นการพัฒนาที่ถาวร เพราะจิตใจเป็นสิ่งที่ถาวรไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปเหมือนกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเช่นลาบยศสรรเสริญหรือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งชั่วคราวไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถาวรต่อให้พัฒนาให้ได้มากขนาดไหนให้ดีขนาดไหนก็ตามก็จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปอย่างอาณาจักรต่างๆที่ได้มีการพัฒนามาในอดีตตะการเช่นอาณาจักรสุขโขทยัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยในอดีตในสมัยที่มีการพัฒนาก็จะริ่รุ่งเรืองแต่พอเวลาผ่านไปเวลาก็จะเป็นตัวที่ทำลายสิ่งต่างๆที่มนุษย์ได้สร้างกันขึ้นม า, เ, า, เ, าเพราะนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆทั้งหลายอยู่ในโลกนี้ มีเจริญก็ต้องมีเสื่อมมีเกิดก็ต้องมีดับดังนั้นไม่ว่าเราจะพัฒนาจะสร้างสรรอะไรกันขึ้นมามากน้อยเพียงไรให้ดีให้วิเศษขนาดไหนก็เป็นความดีความวิเศษเพียงชั่วคราวเท่านั้นเดี๋ยวเวลามันก็จะมาทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง ให้หมดไปร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันเวลาก็จะมาทําลายชีวิตของพวกเราไปทีละเล็กทีละน้อยเราก็จะแก่ลงไปทีละเล็กทีละน้อยแล้เดี๋ยวเราก็จะตายไปในที่สุดดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่สอนให้พัฒนาทางร่างกายทา ง, างะลาภยศสรรเสริญสุข แต่ให้มาพัฒนาทางจิตใจเพราะจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายและการพัฒนาของจิตใจก็จะไม่หมดไม่สูญไปกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ <c oughs> เช่นเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจของพวกเราที่ได้รับการพัฒนาก็จะสามารถรับการพัฒนา ให้สูงขึ้นไปต่อไปได้เรื่อยๆจนถึงจุดสูงสุดเมื่อเราถึงจุดสูงสุดแล้วการพัฒนาก็ถือว่าถึงถึงที่สิ้นสุดแล้วไม่ต้องพัฒนาอีกต่อไปและจะไม่เสื่อมไม่มีวันหมดไปเช่นใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย ท่านได้รับการพัฒนาจนถึงจุดสูงสุดที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไม่มีความทุกข์ไม่มีความเสื่อมไม่มีความเสียหายต่างๆจิตใจของพวกเราตอนนี้ยังเป็นจิตใจที่ไม่ได้รับการพัฒนาใจของพวกเราจยงยังไม่ค่อยมีความสุขกันมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อน ความวุ่นวายใจต่างๆเช่นความหวาดกลัวความวิตกกังวลความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจนี่เป็นผลที่เกิดจากการที่พวกเราไม่ได้พัฒนาใจแต่กลับไปพัฒนาร่างกายไปพัฒนาร่ามยศ เ, เสริญเวลาเราพัฒนาเราก็อยากจะให้สิ่งที่เราพัฒนานี้ อยู่กับเราเป็นานๆดีกับเราไปนานๆแต่เราก็รู้อยู่ภายในใจว่าของเหล่านี้มันต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปพอเราคิดเราก็ไม่สบายใจเพราะเราไม่อยากให้เขาเสื่อมเราไม่อยากให้เขาหมดไปแต่คิดอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะห้ามความจริงได้ ความจริงที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีวันเสือ่อมมีวันหมดไปพวกเรามาสร้างความทุกข์ให้กับใจของพวกเราด้วยการไปพัฒนาสิ่งต่างๆที่ไม่ถาวรพราะเวลาเราพัฒนาอะไรเราได้อร่อยมาเราก็อยากให้มันถาวรแต่เมื่อมันไม่ถาวรมันก็ทำให้เราเสียใจ ทำให้เราทุกข์ทำให้เราวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับกันพราะเราไปพัฒนาสิ่งที่ไม่ควรพัฒนาไปดูแลสิ่งที่ไม่ควรจะดูแลสิ่งที่เราควรพัฒนาสิ่งที่เราควรดูแลเราไม่มาดูแลกันไม่มาพัฒนากันก็คือใจของพวกเราถ้าพวกเราหันมาดูแลใจมาพัฒนาใจของพวกเรา ใจของ เ, ขเรานี่จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆและความทุกข์ความวิตกกังวลความห่วงใยความเสีย อ, อกเสียใจความไม่สบายอกไม่สบายใจนี้จะน้อยลงไปตามลําดับจนหมดไปเลยจะไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจเลยเพราะพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านได้พัฒนามาแล้วและท่านได้ ผลมาแล้วท่านจึงมาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่พวกเราอย่าไปพัฒนาอย่าไปสร้างสิ่งต่างๆในโลกนี้มันจะทำให้เราเดือดร้อนใจทุกข์ใจวุ่นวายใจกังวลใจเสีย อ, อกเสียใจกันให้มาพัฒนาใจแล้วใจของเราจะมีแต่ความสุขความทุกข์จะไม่มีอยู่ภายในใจ วิธีพัฒนาใจพระทธเจ้าก็สอนไว้3สขั้นด้วยกันคือขั้นทาบุญขั้นที่สองก็คือการละบาปขั้นที่สก็คือการชำระความโลภความโกรธ ค, ความหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปเพราะการกระทําทั้งสามอย่างนี้จะ พัฒนาจิตใจของเราให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงและให้เราไปถึงจุดที่เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเพราะการกลับมาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายซึ่งไม่มีใครอยากจะแก่อยากจะเจ็บอยากจะตายกันแต่ก็ห้ามไม่ได้ถ้ามีการเกิด แล้วก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บและมีการตายเหตุที่ทำให้ใจต้องกลับมาเกิดก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี่เองถ้าตราบใดใจของพวกเรายังมีความโลภความอยากอยู่ใจของพวกเราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดใหม่เช่นเวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วใจของเรายังมีความอยากอยู่ ก็ต้องกลับมาหาร่างกายใหม่มาเกิดใหม่บางทีก็ไม่ได้ร่างกายของมนุษย์ถ้าไปทำบาปก็ต้องไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ต้องไปอยู่แบบสัตว์เดรัจฉานจนกว่าจะตายไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่อีกก็อาจจะได้ร่างกายของมนุษย์ถ้าบาปที่ได้ทําไว้ได้ชดใช้หมดไปแล้ว ถ้าบาปยังชใช้ไม่หมดก็ยังต้องกลับไปเกิดเป็นเดรัจฉานต่อดัง น, นั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนไม่ให้ทำบาปกันให้ทำบุญกันพยายามทำบุญให้มากกว่าบาปเพราะเวลาที่เราตายไปนี้บุญกับบาปจะเป็นตัวที่จะมาแย่งใจของพวกเราให้ไปเกิดใหม่ ถ้าเรามีบุญมากกว่าบาปบุญมีกาลังมากกว่าบุญก็จะดึงใจของพวกเราให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ให้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือให้ไปเกิดเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้ากันถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญเวลาร่างกายตายไปบาปก็จะดึงร่างกายให้ไปเกิดในอบาย ไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรกกันนี่คือสิ่งที่มีผลกระทบก่อจิตใจของพวกเราคือการกระทําบุญการกระทําบาปและการชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราสามารถชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้บุญก็จะไม่มีกำลังเึิกเราไปสวรรค์ บาปก็ไม่มีกำลังจะเดินเราไปอาบารก็เราอยู่ในพระนิพพานที่เหนือกำลังของบุญของบาปที่จะมาชุดลากให้เราไปรับผลบุญผลบาปได้นี่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสรูเรื่องนี้ เรื่องของการพัฒนาจิตใจพวกเราจะไม่มีใครมาบอกใครมาสอนพวกเราก็จะหลงพัฒนาร่างกายกันพัฒนาทรัพสมบัติข้าวของเงินทองกันแล้วเราก็มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้แก่พวกเรากันอย่างที่เป็นกันอยู่ทุกวันนี้ มีใครไม่ทุกข์บ้างมีใครไม่กังวลบ้างมีใครไม่เสียอกเสียใจมากมีใครไม่สบายอกไม่สบายใจบ้างมีใครไม่เศร้าโศกเสียใจบ้างไม่มีมีกันทุกคนเพราะเราไม่มาดูแลใจไม่มารักษาใจไม่มาพัฒนาใจเราไปพัฒนาของต่างๆในโลกนี้ ที่เป็นเหตุที่ทำให้เราไม่สบายใจเราจึงต้องหยุดพัฒนาเรื่องของร่างกายก็ดีเรื่องของทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็ดีดูแลภัยพอให้อยู่ได้ก็พอเช่นร่างกายนี้ให้มีอาหารรับประทานให้มีเครื่องนุ่งห่มพอเพียงให้มีที่อยู่อาศัยให้มียารักษาโรคก็พอแล้ว ไม่ต้องมีมากมายก่ายกองและไม่ต้องมีแบบวิจิตพิสดารมโหลาหรู้รา mm hmm. เช่นบ้านต้องเป็นราคาเป็นสิบล้านร้อยล้านเ mm hmm. สื้อผ้าต้องเป็นชุดละหมื่นชุดละแสน mm hmm. ของเหล่านี้มันไม่ได้มาทำให้ใจของเรามีความสุขหรอกมันกลับจะทำให้ใจของเรามีความทุกข์ เพราะเรามีสมบัติมากเราก็หวงเราก็หวงเราก็วิตกกังวลกลัวจะสูญเสียสมบัติเข้าของเงินทองไปถ้าเราไม่มีความสามารถที่จะปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไปการมีสิ่งต่างๆยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งจะทําให้ใจมีความทุกข์มากขึ้นไปเท่านั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เรามาแบ่งปันทรัพย์สมบัติเข้าของกันดีกว่าเก็บไว้เท่าที่จำเป็นเก็บไว้พออยู่พอกินส่วนที่มีมากเกินไปนี้เอาไปทำบุญทำทานเอาไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เขาเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากผู้ที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้เช่นคนแก่คนชราเด็กเล็กเด็กน้อย หรือคนพิการบุคคลเหล่านี้เขารอรับการช่วยเหลือจากพวกเราการที่เราช่วยเหลือเขาจะทำให้ใจเราพัฒนาขึ้นมีบุญมากขึ้นมีบุญที่จะดึงให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นเทวดาหรือดึงให้เราได้ไปสื่พระนิพพานต่อไปบุญนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญย่า เอาเวลาของเราที่มีค่านี้ไปหาเงินหาทองมาแล้วก็มาซื้อของฟุ่มเฟือยของหรูหราต่างๆเพราะจะทำให้เราไม่ได้ทำบุญกันบุญนี่สำคัญถ้าเราไม่ได้ทำบุญแล้วเรากลับไปทำบาปเวลาเราตายไปบาปจะมีมากกว่าบุญเมื่อบาปมีมากกว่าบุญบาปก็จะดึงให้เราไปเกิดในอบาย แต่ถ้าเราทำบุญให้มากแล้วก็อย่าทำบาปเช่น mm hmm. อย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเวณีอย่าพูดปดอย่าเสพสุราอยา่าเมาถ้าเราไม่กระทาการกระทําทั้งห้าประการนี้เราจะไม่มีบาปที่จะสามารถฉุดรากให้เราไปเกิดในอบายได้ ทุกภพทุกชาติเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือกลับมาเกิดเป็นเทวดาจนกว่าเราจะสามารถชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความอยากกำจัดความโลภต่างๆให้หมดไปจากใจพอหมดแล้วเราก็จะไปถึงพระนิพพานกันใจของพวกเราก็จะไม่ต้องกลับมา เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปอยู่พระนิพพานนี่ก็เหมือนอยู่ในมหาราชวังนี่เอถ้าเราเปรียบเทียบ ม, มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการความสุขทุกชนิดความสุขทุกรูปแบบแล้วก็ไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายความสุขในพระราชวังของมนุษย์นี้ยังมีความทุกข์อยู่ ยังมีความแก่มีความเจ็บมีความตายอยู่คนที่อยู่ในวังก็แก่เจ็บตายได้เหมือนกับคนที่อยู่นอกวังมีคนที่อยู่ในพระนิพพานเท่านั้นที่จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายตามมาตอนนี้พระพุทธเจ้าของพวกเราก็อยู่ในพระนิพพานพระอาหารหันตสาโลกทั้งหลายท่านก็อยู่ในพระนิพพานท่านมีแต่ความสุข ไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียพลาดพลากจากสิ่งที่เรารักจากบุคคลที่เรารักตอนนี้พวกเรายังไม่ได้ไปถึงพระนิพพานเรายังยังต้องเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายกันเจอการสูญเสียเจอการพลาดพลากจากกันไม่ว่าเราจะ ไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นมันก็ห้ามมันไม่ได้เพราะนี่คือเป็นธรรมชาติของโลกนี้ของโลกของการเกิดแก่เจ็บตายนักปราดยางพระพุทธเจ้าจึงไม่ปรารถนาที่จะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายออกต่อติดต่อไปท่านจึงหยุดพัฒนาสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะการพัฒนาสิ่งต่างๆเช่นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง พัฒนาร่างกายนี้เป็นการพัฒนาการเกิดแก่เจ็บตายนี่เองถ้าเรายังรักร่างกายอยู่เรายังอยากมีร่างกายอยู่พอร่างกายอันนี้ตายไปเราก็จะไปหาร่างกายอันใหม่มาแทนร่างกายอันเก่าพอได้ร่างกายอันใหม่มาก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายกันใหม่ถ้าเราไม่อยากที่จะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย เราก็อย่าไปอยากมีร่างกายอย่าไปใช้ร่างกายทำตามความอยากต่างๆมานั่งทำใจให้สงบ เ, เวลาทำใจให้สงบความอยากต่างๆก็จะหายไปแล้วพอออกจากความสงบมาความอยากจะเกิดขึ้นมาใหม่ก็ใช้ปัญญาหยุดมันสอนว่าอย่าทำตามความอยากถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย ไม่ทําตามความอยากนี้ไม่ตายไม่ทุกข์ถ้าเรามีความสงบแล้วเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราไม่ทํานี้จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเรายังไม่มีความสงบเรายังนั่งสมาธิไม่เป็นเวลาเกิดความอยากขึ้นมานี้เราจะสู้ไม่ได้เหมือนคนที่สูบบุหรี่หรือคนดื่มสรุราเวลาเกิดความอยากจะดื่มสรุราหรือสูบบุหรี่นี้ เขาจะสู้ไม่ได้แต่ถ้ามีสมาธิถ้าเขาหนังสมาธิได้เวลาเกิดความอย่างนี้เขาฝืนได้เขาสู้ได้ยิ่งถ้าเขารู้ว่าเป็นโทษการดื่มสราการสูบบุหรี่ทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยทำให้จิตใจต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายเขาก็จะหยุดได้ ผู้ที่ไปถึงพระนิพพานได้นี้ต้องหยุดความอยากได้และกานที่จะหยุดความอยากได้ต้องมีสมาธิก่อนต้องมีกำลังที่จะต่อสู้กับความอยากต่างๆพอมีสมาธิแล้วพอเกิดความอยากอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยากใช้ร่างกายทำอะไรต่างๆก็สามารถหยุดได้ เมื่อหยุ่ได้แล้วก็ไม่ต้องกลับมาหาร่างกายอันใหม่เวลาร่างเกา่ากายอันเกา่าตายไปก็จบเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายอีกแล้วเรามีความสุขที่เกิดจากการอยู่เฉยๆมีความสุขที่เกิดจากการไม่มีความโลภไม่มีความอยากอันนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริงที่เป็นผลที่เกิดจากการพัฒนาที่แท้จริง คือการพัฒนาใจของพวกเราด้วยการทำบุญด้วยการละบาและด้วยการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นงานที่ไม่มีใครทำให้เราได้เราต้องทำกันเองพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านสอนเราได้แต่ท่านทำให้เราไม่ได้ท่านเสกท่านเป่าให้เราไปพระนิพพานไม่ได้เราต้องเสกต้องเป่าตัวเราเองด้วยการกระทำตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอน คือเลิกพัฒนาร่างยศสรรเสรินสุขเลิกพัฒนาร่างกายแล้วหันมาพัฒนาจิตใจด้วยการทำบุญละบาตและชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วเราก็จะได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเราจะได้อยู่ในพระนิพพานที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียว การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพะระศรีลัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุมณ์สุขภาละโดยทั่วหน้ากันเทอ